5. อธิการะปัจจยวาระวาระว่าด้วยอธิกรเป็นปัจจัยแ8ดถามเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ภิกษุกล่าวเสียดสีอุปสมบัน ต้องอาบัตปาจิตตีสอ 2. ภิสุกล่าวเศียรสีอนุปสัมบัตต้องอาบัตทุกกฎเพราะวิวาทาทิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบ อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ1อย่างคืออาจารวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาจิตตีสองกองอาบัตทุกกดบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน3สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สมมุขาวิไนย 2. ปติญญาตกรณ 3. สมสมุขาวินันและตินวัถาะรกะยแถามเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ภิกษุ ใส่ความภิกษุด้วยอาบัตชั้นปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัตสังขาริเศษสภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังคาริเศษที่ไม่มีมูลต้องอาบัตปาจิตตี 3. ภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาจาระวิบัติที่ไม่มีมูลต้องอาบัตทุกกฎเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัย ต้องอาบัตส3อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติ บรรดากองอาบัติเกองจัดเข้ากองอาบัติ3กองคือ 1. กองอาบัติสังฆาทิเศษสอกองอาบัติปาจิตตีสามกองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน3สมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. สั ม, มุขาวินัยและตินวัฒารกะสองถามเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัติ4อย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดธรรมคือปาราชิกต้องอาบัตปาราชิก 2. ภิกษุณีสงสัยปกปิดต้องอาบัติทุลจัย 3. ภิกษุปกปิดอาบัติสังคาทิเศษต้องอาบัติปาจิตตีสี 4. ภิกษุปกปิดอาจารวิบัติต้องอาบัติทุกกฎเพราะอาบัตตาทิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัติสี่อย่างเหล่านี้ถามอาบัติเหล่านั้น บรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไรและบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัต บรรดากองอาบัติเกองจัดเข้ากองอาบัติ4กองคือ 1. กองอาบัติปาราชิก 2. กองอาบัติทุลจัยสามกองอาบัติปาจิตตีสี 4. กองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต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 ต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างคือ 1. ภิกษุณีผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งจบยัตติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัตถุลัจใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติปาราชิก 4. ภิกษุผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมเพราะสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัติสังคาทิเศษ 5. ภิกษุไม่สละทิฏฐิบาป จนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตีเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้น บรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศสีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัตบรรดากองอาบัตร7กองจัดเข้ากองอาบัติ5กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังคาทิเศษสกองอาบัตทุลลใจ 4. กองอาบัตปาจิตตีห กองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมัฏฐเจ็ดอย่างระงับด้วยสมัฏฐสามอย่างคือ 1. สัมมุขหาวินัย 2. ปฏิญญาตการณะ สามสามุขาวินัยและตินวัฏฐาระกับถามเว้นอาบัตเจ็ดเว้นกองอาบัตเจ็ดเสียอาบัตนอกนั้นบรรดาวิบัติ4จัดเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ บรรดาอธิกรงสีจัดเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบเว้นอาบัตเ7ดเว้นกองอาบัตเ7เสียอาบัตนอกนั้นบรรดาวิบัตสีไม่จัดเป็นวิบัตไหนบรรดากองอาบัตร7กองไม่จัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐาน ไม่เกิดด้วยสมุทฐานไหนบรรดาอาธิกรสี่ไม่จัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างไม่ระงับด้วยสมถะไหนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเว้นอาบัติเจ็เว้นกองอาบัติเจ็ดเสียก็ไม่มีอาบัติอย่างอื่นอธิกรณะปัจจะยวาระที่ห้า อันตระไปยานจบหัวข้อบอกวาระกติปุชาวาระสมุดฐานะวาระกตาปติวาระอาปัติสมุดฐานวาระวิปัติวาระและอธิการณวาระ